พระบัญญัติห2 2 0ัก็ภิกษุณีใดถามปัญหาภิกษุที่ตนยังไม่ได้ขอโอกาสต้องอาบัติปลาจิตตีเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบ